Book 2 <28 S 1> rem, gaan 2ยี่สิอนในโรงแรมการร้องเรียนเนดิุตาวลอคเตสปักบัวใช้งานไม่ได้ดิสตูร์ตเวรกนิไม่มีน้ำอุ่น คุณมาซ่อมมันได้ไหมคะการอีแต่ตัวในห้องไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์โทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ห้องไม่มีระเบียง Die k er a ม e r h e เอ i e นี้อัลบ n ้ลกห้องนี้เสียงดังเกินไป Die k อ m e r is l a w a ว i เยห้องนี้เล็กเกินไปที่คอมม์ร์อัสต์เลห้องนี้มืดเกินไปที e คอมม์ร์อัสตเอ เครื่องทำความร้อนไม่ทำงานดิเฟเวอร์วาร์มิงเวนเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานดิเฟเวงเนโทรทัศน์ไม่ทำงานดิทีวเวิวร์กนี่ดิฉันไม่ชอบเลยเอกเร์ฟ มันแพงเกินไป That is the deal คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะ h It is good copper ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ Is there a youth club nearby มีเบ็ดแ d นด์เบร a ฟาสต์ใกล้ที่นี่มีไหมคะ สน no, มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะสตอร์ร์รีสตูรานต์หน่อ